ทำมากกับชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราทำจิตให้เป็นกุศลทุกๆวันเมื่อเรามีชีวิตอยู่ชีวิตเราก็มีความหมายเมื่อเราต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีความหวังเนี่ยหมายถึงในความหวังหลังจากที่ตายไปแล้ว สรุปแล้วถ้าเราทําจิตจะเป็นกุศลมีชีวิตอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวัง